มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหามวมะวะักกาลากาลมารณะปัญหาที่หนึ่งถามว่าความตายที่เป็นกาลมารณะอย่างไรที่เป็นอากาลมารณะนั้นอย่างไร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสถามปัญหาสื่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสเพมนุศาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายนี้ตายเป็นกาละมรณะสิ้นหรือว่าตายเป็นอากกาละมรณะบ้างพระนาคเสนเถระจึงวิสัญชาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร มนุษย์ทั้งหลายตายเป็นกาละมารณะก็มีที่ตายเป็นอากาละมารณะก็มีสมเด็จพระเจ้าวิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาที่ตายเป็นกาละมรณะนั้นอย่างไรที่ตายเป็นอากาละมารณะนั้นอย่างไรพระนาคเษนจริงวิสัชนาแก้ไขว่า ผลลิโนปิพลังผลมะม่วงหรือผลไม้เหล่าอื่นย่อมหล่นไปแต่ในการเมื่อยังเป็นช่อบางทีช่อตั้งจะเป็นผลก็หล่นร่วมไปบางทีหล่นไปในการเมื่อเป็นหัวมแมลงวันบางทีหามแล้วจึงหล่นใบบางทีจวนสุกจึงหล่นไปบ่พิษเห็นบ้างหรือไม่ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าวิรินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การารับคำพระนาคเกษว่าอามะพันเตพระเจ้าข้าพระผู้เป็นเจ้าโยมเคยเห็นอยู่เป็นธรรมดาพระนาคเกษผู้ปรีชามีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่ามะม่วงและผละไม้ที่สุกแล้วหล่นนั่นแหละเรียกว่าหล่นในการควรจะหล่น เซสาอันว่าผลมะม่วงและผลมไม้นอกนี้คือที่ล่วงไปตั้งแต่เป็นช่อและเป็นผลโตเท่าหัวมแมลงวันนกจิกและลมพัดและเป็นร่วงบ่อล น, นอนชัยร่วงไปนั้นเรียกว่าหล่นเป็นอากาละคือหล่นในการอันม่ควรจะหล่นความเปรียบนี้ยถามีอุปมาฉันใดมหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเกิดมาครั้นเท่าแก่ชรากระทากาละกิริยาตายนั้นชื่อว่ากาละมรณะควรตายอยู่แล้วนะบพิษพระราชสมภารปานดุดผลมะม่วงสุกแล้วหล่นร่วงลงสู่พื้นพระสุทาอาว ส, สัยษามนุษย์นอกกว่านั้นเกจิบางพวก ตายเป็นกรรมปฏิพานกรรมหลังอันหนักมาชักนาไปเกจิบางพวกตายเป็นคติปฏิพานคติอันหนักชักนำไปบางพวกก็ตายเป็นกิริยาปฏิพานกิริยาอันหนักชักนำไปเตมนุษษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นชื่อว่าตายเป็นอากาละมรณะขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาฆ่าแต่พระน้ า, าเกษณผู้ปรีชาอันว่าคนทั้งหลายตายด้วยกรรมปฏิพานกรรมพาไปก็ดีตายเป็นคติปฏิพานคติชักพาไปก็ดีตายเป็นกิริยาปฏิพานกิริยาชักพาไปก็ดีตายด้วยชาราพาไปก็ดี โยมเห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายนี้ตายเป็นกาละมรณะควรด้วยการสิ้นอย่าว่าแต่อย่างนั้นเลยสัตว์ที่ตายไปในคันมารดานั้นก็ได้ชื่อว่าตายเป็นกาละมรณะที่ตายไปในเวลาออกจากคันมารดาแล้วก็ชื่อว่าตายเป็นกาละมรณะทารกที่ได้ห้าปีตายก็ดีหกปีตายก็ดีเจ็ดปีตายก็ดี แปดปีตายเกปีตายสิบปีตายสิบเอ็ดปีตายสิบสองปีตายก็ดีกาเลเย ว, วะมรันติก็ได้ชีว่าตายในการควรจะตายตามอย่างทารกทั้งหลายอันตายมาแม้ถึงสัตว์ที่ได้ร้อยปีตายก็ชี้ว่าตายเป็นกาละมรณะตกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายนั้นเป็นกาละมรณะหมดสิน้น ที่ว่าสัตว์จะเป็นอากาละมรณะใช่การที่จะตายหรือไม่ควรตายนั้นหามิได้พระนาคเษนมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่สิ้นอายุยังไม่แก่ไม่เท่านั่นแหละมาตายเสียได้ชื่อว่าตายเป็นอากาละมรณะมีเจ็ดจำพวก อันว่าตายเป็นอากาละมรณะเจ็ดจำพวกนั้นเป็นประการใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารบุคคลผู้ใด ย, ยังไม่สิ้นอายุอดข้าวปลาอาหารตายจัดได้ชื่อว่าตายเป็นอากาละมรณะประการหนึ่งมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารบุคคลที่ยังไม่รู้สิ้นอายุ แต่ว่าอดน้ำตายนั้นก็จัดได้ชื่อว่าตายเป็นอากาละมรณะตายในอันใช่การประการหนึ่งอหินาทัตโธมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐบุคคลถูกงูขบพิษกล้าหมอรักษาไม่ได้ยังไม่สิ้นอายุตายด้วยพิษงูนั้นก็ชื่อว่าตายเป็นอากาละมรณะประการหนึ่ง วิสมาลิกมหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารบุคคลยังไม่สิ้นอายุกินยาพิษยาพิษนั้นกัดลำไส้หายาจะแก้ไม่ได้ตายด้วยยาพิษนี้ก็ได้ชื่อว่าตายเป็นอาการละมรณะประการหนึ่งอคิคัตโอมหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภาร บุคคลอันเพลิงไหม้ตายด้วยเพลิงก็ชื่อว่าอาการะมรณะประการหนึ่งอุทะกะฆาโตและบุคคลยังไม่สิ้นอายุตกน้ำตายนี้จัดเป็นอาการะมรณะประการหนึ่งสัติยาปหะโตบุคคลยังไม่สิ้นอายุตายด้วยอาวุธศสตรานั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นอาการะมรณะประการหนึ่งสิริ เป็นเจ็ดจำพวกเท่านี้ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสัตว์ที่ตายเป็นกาลมรณะนั้นมีแปดประการคือตายด้วยโรคเป็นวาตะสมุทฐานเกิดเพื่อลมประการหนึ่งตายด้วยโรคเป็นปิตตะสมุทฐานเกิดเพื่อดีประการหนึ่งตายด้วยโรคเป็นเสมหะสมุทฐานเกิดเพื่อเสมหะประการหนึ่ง ตายด้วยไข้สันนิบาตประการหนึ่งตายด้วยโรคเป็นอุตุปรินามะน้อมมาตามระดูเกิดมาตามระดูขิมหันเหมันวสันนันประการหนึ่งตายด้วยวิสมะปริหารอิริยาบทนั่งนอนยืนเดินเกินประมาณโรคบังเกิดนั้นประการหนึ่งตายด้วยโรคเป็นโอปักะมิกาให้ลงไป รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หยุดประการหนึ่งตายด้วยโรคอันเกิดแต่กรรมมวีบากนั้นประการหนึ่งสิริเป็น8ประการด้วยกันชื่อว่ากาลมารณะประการหนึ่งกาลมารณะมีสองสถานที่เป็นสามายิกากาลกิริยานั้นสถานหนึ่งเป็นอสามายิกากาลกิริยานั้นสถานหนึ่ง ที่ว่าตายได้รูอันเกิดแต่กรรมมวิบากนั้นชื่อว่าสามายิกากาละกิริยาแปลว่าตายควรด้วยการอันเป็นกรรมของตนกระทําไว้แต่ชาติก่อนตายด้วยเหตุนอกจากนี้นับแต่ตายด้วยวาตสมุบฐานมาจนถึงโอปั ก, กะมิกาพอได้เจ็ดประการชื่อว่าอะสามายิกากาละกิริยาแปลว่า ตายไม่ควรแก่การแก่สมัยและมนุษย์ตายด้วยเหตุเจ็ดประการคืออดข้าวประการหนึ่งอดน้ำประการหนึ่งงูขบประการหนึ่งกินยาพิษประการหนึ่งเพลิงไหม้ประการหนึ่งตกน้ำประการหนึ่งถูกอาวุธสตราประการหนึ่งซิริเป็นเจ็ดประการด้วยกนันนี้มนุษย์ที่ตายไปดังนี้จัดว่าตายเป็นอากาละมารณะ ส่วนบุคคลตายด้วยบุรพากรรมหนหลังนั้นคือแต่ก่อนตนได้กระทําสัตว์ให้อดตายครั้นผู้นั้นสิ้นชีวิตแล้วก็ไปทนทุกข์อดข้าวปลาอาหารตายอยู่ในอบายหลายพันปีกรรมนั้นค่อยน้อยเข้าขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์เศษกรรมมาตามทันแต่ยังเป็นทารกและกลางคนเมื่อแก่นั้นก็ดีให้อดข้าวตายอย่างนี้ชื่อว่า สามายยิกะมรณะและที่ว่าตายด้วยอดน้ำก็ดีตายด้วยงูขบก็ดีตายด้วยยาพิษก็ดีตกน้ำตายก็ดีเพลิงไหม้ตายก็ดีเขาฆ่าฟันตายก็ดีอีกหกประการนี้แต่ชาติก่อนได้กระทำกรรมคือให้สัตว์อดน้ำตายและเอางูร้ายให้ขบเขาวางยาพิษให้เขากินตายและคลอกเผาสัตว์ให้ตาย ทำสัตว์ให้ตกน้ําตายฆ่าสัตว์ทั้งหลายด้วยอาวุธครั้นตัวจุติตายก็ไปทนทุกข์อยู่ในอาบายตามกรรมที่กระทําไว้ชั้นใดก็ได้ฉันนั้นทนทุกข์อยู่หลายพันปีครั้นกรรมนั้นเบาบางเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เล่าเศรษกรรมนั้นมาทันเข้าเมื่อเป็นกุมารก็ดีเมื่อกลางอายุก็ดีเมื่อแก่ก็ดีอย่างนี้ชื่อว่า สามายิกะมรณะตายด้วยกําหลังที่กระทำไว้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชามีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายังวัดเทสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่าตายเป็นอากาละมรณะนั้นมีเหตุประการใดอิงคะดังโยมตักเตือน นิมนอุปมาชี้เหตุให้โยมแจ้งก่อนพระนาคเสณถวายพระพอรอุปมาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารธรรมดาว่ากองเพลิงไหมไปจนสิ้นเชื้อหญ้าใบไม้และไม้แห้งสิ้นอุปัถวหาเชื้อที่จะไหมไม่ได้ก็ดับไปเองชื่อว่าสามายิกะนิพุตตา ดับเองกระนั้นหรือบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอคงการตรัสว่าเอวังพันเตดังนั้นแหละพระผู้เป็นเจ้าเพลิงนั้นดับเองชื่อว่าสามายิกะนิพุตตาพระหน้าเกษณ์จึงมีเทระวาจาว่าความนี้เปรียบฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภาร บุคคลมีอายุยืนได้มากประมาณพันปีเป็นอันมากหาโรคหาภัยอุปัตวะสิ่งอะไรไม่ได้ตายไปเองชื่อว่าสามายิกะมรณะอุปมาเหมือนกองเพลิงดับเองนั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารกองเพลิงอันหนึ่งไหมซึ่งไม้แห้งและเมื่อไม้แห้งนั้นยังไม่สิ้นยังไหมอยู่ ยังมีมหาเมฆคือฝนหาใหญ่บันดาลตกลงมานิพพาปะยะให้เพลิงดับไปนี่แหละดังอัตมาจะขอถามมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารกองเพลิงนั้นจะเรียกว่าเป็นสามายิกะนิพุตตาดับเองกระนั้นหรือนะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชะองค์การตรัสว่าณหิพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเพลิงนั้นจะเรียกว่าดับเองเป็นสามายิกะนิพุตตาหามิได้พระนาคเกษนมีเถระวาจาปุจชาถามต่อไปว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเหตุประการใดเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชองค์การตรัสว่า พันเตนาขเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชากองเพลิงนั้นยังกำดัดจะไม่ยาและใบไม้อยู่มิได้สิ้นเชื้อไม่ดับเองไปดับด้วยน้ำฝนอย่างนี้ชื่อว่าอะสามายิกะนิพุตตาพระนาคเสนจึงกล่าวอุปมาต่ออุปมาว่าอัตมาเปรียบประการนี้ยะถา มีอุปมาฉันใดมหาราชขอถวายพระพรบอบพิษพระราชสมภารบุคคลที่ตายเป็นอากาละมรณะนั้นคือยังไม่ถึงกาหนดสิ้นอายุที่จะตายและมาตายด้วยโรคอันจรมาอย่างใดอย่างหนึ่งอันบังเกิดขึ้นก็ดีและตายด้วยอดข้าวอดน้ำงูขบและกินยาพิษเป็นต้นก็ดีก็ได้ชื่อว่าตายเป็นอากาละมรณะ เอวะเมวะโขมีอุปไมยเหมือนเพลิงกองใหญ่ยังกำดัดจะไหม้ฝนหาใหญ่ตกทับดับไปนั้นมหาราชะขอถวายพระพ ร, พรบอพิษพระราชสมภารพระลาหกอันตั้งขึ้นคัคคณีบนคักคนาอากาศเกิดเป็นหาฝนตกลงมาหาภัยอันตรายไม่ได้ ก็ไหลไปท่วมที่ลุ่มดอนกระนั้นหรือบอพิษพระราชสม่านสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโองการตรัสว่าเอวังพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเมฆตั้งขึ้นหาภัยอุปทวะที่จะเบียดเบียนไม่ได้แล้วก็บังเกิดหาฝนตกลงมาพระนาคเกษจึงอุปมาอุปไมยว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมพาน คนทั้งหลายแก่งอมหาโรคาพยาที่จะบีทาไม่ได้และภัยอันตรายไม่มีอยู่ดีๆสิ้นอายุตายที่ชื่อว่าสามายิกะมรณะนั้นดุจเมฆตั้งขึ้นหาสิ่งจะกระทําอันตรายไม่ได้ก็ตกลงเป็นหาฝนเองนั้นนั้นประการหนึ่งขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร ปานดุดเมฆตั้งขึ้นเบื้องบนจะเกิดฝนลมพัดกระจัดกระจายให้แล้งไปไม่ได้เป็นฝนตกลงนั้นดังอัตมาจะขอถามเมฆตกลงหรือประการใดบอพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าหามิได้เพราะเมฆนั้นลมพัดให้กระจายไปเสียสิน้น พระนาคเษนมีเถระวาจาถามว่ามหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารเมฆฝนตั้งขึ้นเดิมนั้นลมไม่กระทำอันตรายสิฝนตกลงมาเล่าเมฆฝนตั้งขึ้นลมกระทำอันตรายไปไม่ตกลงฉะไหนจึงไม่เหมือนกันนะบอพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชาองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระหน้ า, าเกษณผู้ปรีชาเมฆฝนที่ตั้งขึ้นนั้นตกด้วยไม่มีอันตรายไม่ตกได้ด้วยลมกระทำอันตรายพระหน้ า, าเกษณจึงอุปมาอุปไมยว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารความประการนี้ มีอุปมาฉันใดก็ดีคนทั้งหลายที่ตายไปได้วยโรคอันตรายอันใดอันหนึ่งในเวลาที่ยังไม่ถึงซึ่งสิ้นอายุขยนั้นชื่อว่าตายเป็นอากาละมรณะนั้นเปรียบดังเมฆฝนตั้งขึ้นลมกระทำอันตรายฉะนั้นมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอสรพิษพิษกล้า คาบคันขบเอาบุรุษผู้หนึ่งหาหมอไม่ทันพิษนั้นกล้าหารไปหายาที่จะฆ่าพิษมิได้บุรุษนั้นกระทํากาและกิริยาตายพิษนั้นหาอันตรายไม่ได้ยะถามีครุวนาอุปมาฉันใดมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารโกจิจีรังชีวิตวา บุคคลผู้ใดที่มีชีวิตอยู่นานแล้วแกชราไปเป็นอายุไขสิ้นอายุตายไปหาโรคสิ่งอะไรและภัยอันตรายสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันจะมาบีทายายีไม่ได้ชื่อว่าสามายิกะมรณะตายเองเปรียบดุจพิษอันหายาจะระงับไม่ได้ฉะนั้นยะถาปณะมหาราชะ ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารเปรียบด้วยอสรพิษอันร้ายคบบุรุษผู้หนึ่งเข้าแต่ว่าหาหมอทันวางยาฆ่าพิษนั้นให้สูญหายไปจะว่าพิษนั้นเป็นสามายิกะหาอุปัตตวะอันตรายมิได้หรือบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้า จะว่าพิษนั้นเป็นสามายิกะหามิได้นะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนเถระผู้ปรีชาญาณจึงซักถามว่ามหาราชขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชสมภารเป็นเหตุประการใดอสรพิษร้ายเหมือนกันตัวหนึ่งพิษกล้าขบคนตายตัวหนึ่งพิษกล้าขบคนแล้วพิษนั้นหายไปเป็นเหตุฉนันะบ่อพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโองการตรัสว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าพิษนั้นสูญไปด้วยฤิิยามากำจัดเสียพิษนั้นจึงไม่ได้เป็นสามายิกะพระน่าเกษณ์จึงอุปมาต่ออุปมาว่าชนี้มหาราชดูกระระบอพิษพระราชาสมภารบุคคลทั้งหลายตายด้วยโรคอันจรมาเป็นต้นว่าว่าตะสมุทฐานนั้น ยังไม่สิ้นอายุไขก็ได้ชื่อว่าเป็นอาการละมรณะเหมือนพิษอันมริดยาหมอห้ามให้สูญหายหากระทาให้ตายได้ไหมใช่แต่เท่านี้อันบุคคลตายเป็นกาละมรณะนั้นจะอุปมาอีกก่อนมหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารดุจหนึ่งนายขมังธนูยิงลูกธนูไป ถ้าลูกธนูไม่ขัดไม่คล่องลอยล่วงไปจนสิ้นกำลังแล้วตกลงมาตามธรรมดาดังนี้มีอุปมาฉันใดมหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารบุคคลที่มีชีวิตอยู่จนแก่ชาราสิ้นอายุไขตายตามธรรมดานั้นก็เหมือนกันกันกบลูกธนูอันคนยิงไปไม่กระทบกระทั่ง ตลอดไปโดยธรรมดานั้นประการหนึ่งมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเปรียบดุดนายขมังธนูหายิงไปให้ถูกโดยปฐมคติธรรมดาดังคราวก่อนไม่ยิงลูกศรไปจะให้ตกลงมีผู้อื่นเข้ามาหยิบเอาลูกธนูไปเสียดังอัตมาจะถาม ตกว่าลูกธนูนั้นจะไปตามธรรมดาเดิมหรือประการใดนะมาหาบอพิษพระราชสมภารพระเจ้ามิลินจึงตรัสว่าลูกธนูนั้นจะไปตามธรรมดาหาไม่ได้เพราะมีผู้มาหยิบเอาไปเสียพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบ่พิษพระราชสมภารอันว่าบุคคลกระทำกาและกิริยาตาย เป็นอากาละมรณะก็เหมือนกันกันกบลูกธนูที่ยิงไปไม่ถึงที่มีใครหยิบเอาไปเสียนั้นประการหนึ่งมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารดุดบุคคลเป็นช่างตีภาชนะทองแดงเสียงนั้นก้องไปจนสุดเสียงนั้นยะถามีครุวนาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร ฝูงชนที่มีชนะสาอายุยืนนานอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าหาโรคจะบีทายายีไม่ได้สิ้นอายุไขาตายเองนั้นก็เหมือนกับเสียงภาชนะทองแดงดังไปจนสุดเสียงและฝูงชนตายด้วยสิ้นอายุนั้นชื่อว่าสามายิกะมรณะมหาราชะขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภารปานดุดบุรุษผู้หนึ่ง ตีซึ่งภาชนะทองแดงแล้วจับต้องยึดภาชนะทองแดงนั้นไว้ห้ามเสียงมิให้ดังไปเสียงภาชนะนั้นจะดังก้องไปเหมือนภาชนะอันบุคคลให้รูปต้องจับกลุมไว้หรือประการใดสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีจึงตรัสว่าเสียงภาชนะนั้นจะดังก้องหาไม่ได้นะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงถามว่ามหาราช ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเหตุประการใดจึงไม่มีเสียงดังก้องเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าภาชนะทองแดงนั้นคนจับไว้จึงไม่ดังโดยธรรมดาพระนาคเกษ็ จ, จึงมีเทระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารความประการนี้ ยะถามีอุปมาฉันใดอันว่ามนุษย์ทั้งหลายที่ตายเป็นอากาละมรณะนั้นมิทันแก่ชาราสิ้นอายุไขเพราะโรคอันใดอันหนึ่งมีวาตะสมุตฐานเป็นอาทิเกิดขึ้นในกายก็ตายไปอุปมาดุดภาชนะทองแดงอันบุคคลตีดังไปแล้วยึดไว้มิให้ดังต่อไปนั้น อิทางมหาราชาการนังขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารจงทรงพระสวนาการฟังเหตุอุปมาแห่งมนุษย์ทั้งหลายอันตายเป็นอาการละมรณะอีกก่อนมหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารปานดุดพืชเข้าเปลือกบุคคลหวานลงในนาฟ้าฝนชุกเฉยชุ่มชื่น ก็จะเริญรื่นมีดอกออกครุงใหญ่ถึงซึ่งภาวะเป็นสัตสะสมัยคือจะเป็นข้าวปลูกต่อกันไปยะถามีครุวนาฉันใดมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐคนทั้งหลายเกิดมาจีรังชีวิตวามีอายุยืนนานประมาณพันปีเป็นอันมาก หาโรคาพยาธิบีทาไม่ได้อยู่จนสิ้นอายุไขก็มีอุปมาเหมือนธั ญ, ญพืชอันจำเริญนั้นนี่นนแลตายต่อแก่เท่าชราสิ้นอายุนั้นชื่อว่าสามายิกะมรณะประการหนึ่งเล่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารธรรมดาธั ญ, ญพืชในนาฟ้าฝนแรงแห้งไป ไม่มีอุทกังที่จะขังเลี้ยงต้นข้าวไว้ข้าวนั้นแห้งตายแดงธั ญ, ญพืชนั้นไม่เป็นเม็ดเป็นรวงไม่ถึงซึ่งภาวะเป็นศัตร ส, สมัยจะเป็นข้าวปลูกตกกล้าต่อไปได้หรือณบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่าณหิพันเตจะได้ที่ไหนพระผู้เป็นเจ้ากับข้าวเสียนั้น พระนาคเกษณจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเป็นเหตุประการใดเมื่อพืชหวานลงในนาด้วยกันดังนี้จึงไม่เหมือนกันพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโองคงการตรัสว่าพันเตนาคเสนข้าแต่พระนาคเกษณผู้ปรีชา อันว่าธั ญ, ญพืชนับเป็นพืชหาอุทะกังที่จะเลี้ยงต้นไม่ได้จึงไม่ถึงศัตสิสมัยนะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษ็จึงอุปมาต่ออุปมาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิพระราชสมภารผู้ประเสริฐฝูงชนทั้งหลายเกิดมายัางมิทันแกยังมิชารายัางมิทันจะสิ้นอายุไขบังเกิดโรคาไข้เจ็บด้วยโรคอันใดอันหนึ่ง มีวาตะสมุทฐานเป็นอาทินั้นอุปมมยเหมือนธั ญ, ญพืชหาอุทธกังไม่ได้ชิบหายแห้งไปไม่ได้ถึงซึ่งภาวะเป็นสัต ส, สมัยนั่นแลบุคคลตายเสียไม่ทันแก่ชาราสิ้นอายุไขนั้นเรียกว่าตายเป็นอากาละมรณะขอถวายพระพรอิมินามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร จงทรงพระสวนาการซึ่งเหตุแห่งอุปมาอาการละมรณะอีกสถานหนึ่งสุตะบุพังปณะนะบพิทพระราชสมภารได้เคยสวนาการฟังเขาว่ามาแต่ก่อนบ้างหรือประการใดสัมปันเนสัตเสในเมื่อต้นข้าวอันขึ้นมาอย่างอ่อนๆมีนอนเกิดขึ้นกินไส้อย่างต้นข้าวให้ชิบหายตายไปนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี จึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมได้ยินเขา ว, ว่าก็ได้ยินจะว่าได้เห็นก็ได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนเถระจึงปุจฉาถามว่ามหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารต้นข้าวตายด้วยหนอนนั้นจะว่าตายเป็นกาลบรารณะหรือไม่เล่าบอพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโอคงการตรัสว่าพันเตนาคาเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานต้นข้าวอ่อนแม้ว่าหนอนไม่บ่อนไส้ก็จะถึงซึ่งภาวะเป็นสัตสสมัยจะเป็นข้าวปลูกต่อต่อไปนี่ตายด้วยเหตุนอนบ่อนไส้มิทันที่จะเป็นเม็ดเป็นรวงสืบพืชพันไป อย่างนี้เรียกว่าตายเป็นอกาละมรณะทีเดียวนะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐมนุษย์ทั้งหลายเกิดมามิทันจะชราถึงอายุไขและโรคอันใดอันหนึ่งมีวาตะสมตรฐานโรคเป็นต้นทำให้ถึงแก่ความตายนั้น ก็เหมือนกับต้นข้าวอ่อนนอนกินไส้ให้ฉิบหายตายไปนั้นอย่างนี้ชื่อว่าตายเป็นอากาละมรณะอีกประการหนึ่งบพิษพระราชสมภารได้เคยสสวนาการฟังบ้างหรือสัมปันเนสัตเสเมื่อข้าวบริบูรณ์เป็นรวงแล้วแต่ทว่าไม่แก่นักมัญชรกังปัตเต พอจะและเลมไปตากตําหุงกินได้ในสมัยนั้นยังมีหาฝนใหญ่ชาติหนึ่งนั้นชื่อว่ากรกะพัดตกลงมายังมเมล็ดข้าวนั้นให้หล่นไปสิน้นสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอคงการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสุตะปุพังแต่ก่อนโยมได้ยินเขาเล่ามา ที่ได้เห็นกับตาก็ได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐตกว่ามเมล็ดข้าวหล่นไปด้วยฝนกรกะพัดนั้นจะเรียกว่าชิบหายเป็นกาละหรือว่าหามิได้นะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่า พันเตนาคเสณะ่าแต่พระนาคเสณผู้ปรีชาต้นข้าวนั้นเป็นรวงแล้วถ้าว่าฝนนั้นไม่ทำอันตรายก็จะถึงซึ่งภาวะเป็นสัตสะสมัยคือเป็นข้าวปลูกลูกพันสืบต่อไปทีเดียวนี่หากฝนเจ้ากรรมมากระทำอันตรายให้หล่นชิบหายไปหาทันที่จะเป็นสัตสะสมัยไม่ชิบหายดังนี้ ก็เรียกว่าเป็นอากาละพินาศนั่นแหละสิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐมนุษย์ทั้งหลายเกิดมายังมิทันชราถึงอายุไขเกนจิโรเคนะโรคสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีวาตะสมุดฐานโรคเป็นอาทิถึงตัวมนุษย์พวกนั้นให้ถึงแก่มรณะภาพความตายดังนี้ ชื่อว่าอากาละมรณะเอวะเมวะมีอุปมาดังข้าวร่วงฉิบหายไปมิทันจะถึงศัตรสสมัยนั้นขอถวายพระพรนี่แลมนุษย์ที่เกิดมาไม่ทันจะแก่ชราอายุไขอันโรคอันใดอันหนึ่งมีวาตะสมุดฐานโรคเป็นอาทิมีโอปักกะมิกะโรคเป็นปริโยสารเสียแทงในกายตายไป บางทีอดข้าวตายอดน้ำตายอสรพิษขบตายกินยาพิษตายไฟไหม้ตายตกน้ำตายเขาฆ่าฟันตายและด้วยภัยสิ่งหนึ่งนั้นได้ชื่อว่าถึงแก่มรณาภาพเป็นอากาละมรณะทั้งสิน้นบอพิษจงทราบในพระบวรราชสันดานด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี ได้ทรงสาวนาการดังนี้มีพระไทยโสมนัสจึงตรัสว่าอัจฉริยังพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสณผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าวิสัชนาปัญหานี้เป็นอัศจรัน์อัภูตังพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสณผู้จำเริญปรีชาพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาอัดแห่งปัญหานี้ เป็นอภูตะพยากรณ์ช่างแก้ช่างไขที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็เปรียบให้ได้ยินได้ฟังสุทัศิตังการนังช่างชักเอาเหตุมาอุปมาในอาการละมรณะให้สมสุทัศิตังโอปมังแล้วเอาอาการละมรณะเป็นตัวอุปมาเปรียบด้วยอุปมาวิสัชนาให้เห็นกระจ่างเป็นตัวอาการละมรณะออกไปได้ พันเตข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาญานมนุษย์บางคนที่คิดเห็นอย่างเดียวเข้าใจอุปมาข้อเดียวจะพึงตกลงใจเห็นไปว่ามีแต่กาละมรณะเท่านั้นหามีอากาละมรณะไม่ส่วนโยมนี้พระผู้เป็นเจ้าชักอุปมาให้เข้าใจโยมตกลงใจรู้แจ้งว่าอากาละมรณะก็มี จะมีแต่กาละมารณะหาไม่ได้ตั้งแต่พระผู้เป็นเจ้าชักอุปมาข้อต้นมาวิสัชนาให้ฟังแล้วอปิจาหังพันเตข้าแต่พระนาคเกษนผู้จำเริญปรีชาพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาดับความสงสัยข้ออื่นๆของโยมเสียอีกโยมใครจะฟังข้อที่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนามานี้โยมเห็นถูกต้องแจ่มแจ้งทุกประการแล้ว โยมจะขอรับจำไว้ในการบัดนี้กาลากาละมรณะปัญหาที่หนึ่งจบเพียงนี้